ต้องเวชใจอย่างดุลแลเพราะอะไรเพราะเวลาท่านเหล่านี้เดินจงกลมเนี่ยขาแขวงไปข้างมาจังหวะก็ไม่เท่ากันบางทีเกิดทําท่าจะล้มก็ล้มบางท่านก็ๆน่ะล้มจริงๆเสียงดังครู ในการนั่งเออก็ลมๆอ่ะแล้วก็เวลานั่งกรรมฐานอย่างเงี้ยข้างหลังหน้าแทบจะติดจริงๆนะ มันเป็นของหนักเป็นของหนักแต่ว่าหนักเพื่อจะเบาก็นึก มีหน่อยอายุ 90 เดินกรรมฐาน 3 ชั่วโมงปล่อยสบายเพราะอะไรเพราะเราสร้างภูมิธรรมเอาไว้จนเข้มแข็งแล้วอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผมเกิดความ อยู่กับบ้านก็ก็ปนเนี่ยก็นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าธรรมะเนี่ยๆไปเท่ากับเราเข้าใจทั่วๆไปว่าเข้าวัด ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังหนุ่มก็จะต้องเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งแต่ยังหนุ่มมี 2 อย่างนะเรียกว่าคติของโบราณ เพราะสิ่งที่ตัวได้สร้างไว้เมื่อหนุ่มทําบุญทําอะไรไว้มันก็จะไปช่วย 30 แล้วผมจะทํา ผมก็บอกว่าแม่เรื่องนี้บางทีมันก็ถึงเวลาแต่ที่คุณมาสร้างมาทําอะไรอะไรที่แล้วก็ ถ้าถ้าใครยังทําไม่ได้เนี่ยก็มีคือถ้ายิ่ง ตลอดเวลาอย่าได้เกิดความพ้อถอยเกิดความรังเกียจเกิดความเบื่อหน่ายขอให้ได้เกิดความลื่นก็ได้ผลมันลื่นมากมั้ยมันดีลื่นมากมั้ย มันก็รู้สึกว่าช่วยได้จริงๆมันสิ่งที่ที่น่ากลัวก็คือไอ้ความไม่ยินดีในธรรมเนี่ยครับที่ในวิสุทธิที่มักพูดแล้วพูดอีกว่าอุปสรรคอันหนึ่งคืออรติความไม่ยินดีแปลว่าความไม่ยินดีในธรรมซึ่งเป็นของที่เราต้องควบคุมมากเหมือนคน แม้ต้องไม่มีอันนี้แล้วมันไม่รู้จะชวนกัน <ม. S 1> เมื่อเอาเดกะว่าทํายังไงถึงจะให้ไปคงจะต้องให้มันถึง ตัวโมหะมูลจิตนั้นจะเป็นคีรีตละเอียดที่ยืนอยู่ในประสบการณ์ คู่ใจของเราในบรรยากาศขณะนั้นอย่างอื่นจะไม่มีจะมีได้น้อยได้ยากเพราะเราควบคุม เวทนาประจําจิตดวงนี้และความมีจิตเกียรก็ยังเป็นหรือเป็นอนิสสาลมเป็นอนิสสาลมหรือเป็นอิทธาลม เพราะเพราะเหตุปัจจัยว่าเราชินกับอารมณ์นั้นแล้วก็เราไม่ได้มีสติคุ้ม ถ้าเป็นอารมณ์กลางๆทั่วไปก็เกิดโมหะกับอารมณ์กลางๆเช่นผมชูแผ่นนี้ให้ดูเป็นอีสานลมเป็นอันนี้อีสาน เนี่ยเคยไปเฉยเมยไปเพราะฉะนั้นหน้าเนี่ยจะเป็นโฆษณาภาพโฆษณาก็ ความรู้สึกเฉยๆมันเหมือนที่แรกใช่มะแสอ่าที ออุเบกขาเนี่ยบังเอิญได้วงเล็บรูปศัพท์ไม่นิดนึง ไม่ว่าจะเป็นอุเบกขาพรมวิหารคือวางเฉยในศาสตร์ บุคคลใดที่ไปเห็นอะไรอยู่สักแต่ว่าไปเพ่งดูอยู่ไม่ จึงถือเป็นอุเบกขานั้นถ้าสมมุติว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นก็จะมี 3 เวทนาคนตาม และอีกพวกก็ไปดูเฉยๆไม่ได้ช่วยอะไรไปขีด วันนี้จะอธิบายอกุศลจิตที่ชื่อว่าโมหะแลแล 12 และ 13 ติดต่อ 12 นั้นเรา โมหะมูลจิต 2 นั้นที่มี 2 ดวงจุดแตกต่างที่ 2 ดวงคืออุเบกขาเวทนาที่บาลีใช้ 2 อย่างถ้า คือเกิดร่วมกับวิจิกิจฉาก็จัดเป็นโมหะมูลจิตดวงที่ 1 ถ้าสมมุติกับอุทธัจจะคือความโมหะมูลจิต 1 คือโมหะวิจิกิจฉาซึ่งเป็นการเรียกโดยย่อ จิต 2 ดวงที่มีรายละเอียดดังกล่าว แต่ในทางการรับรู้หรือในทางความเข้าใจนั้นจิตใดที่ เป็นจิต 2 ดวงที่เรายืนลักษณะอย่างนี้ไว้นั้นก็จะเห็น 1 เป็นส่วนว่าเหง้าหรือรากเหง้า โมหะคือความหลงเป็นมูลเป็นรากเหง้าแต่เราก็ได้พูดถึงคําว่ารากเหง้า คือตัวปรากฏชัดของจิตดวงนี้นั้นเป็นวิถี ตอวิจิกิจฉาที่เป็นตัวเส้นเป็นตัวปรากฏแต่สายตาหรือการหยั่งที่ปรากฏให้เราได้รู้สึกเพราะถึงคนที่ลังเลสงสัยหรือความวิจิกิจฉา อย่างการเรียนแล้วก็นึกถึงไปไปถึงอยู่ต่อหน้าในขณะ ถ้าเราไม่ได้เรียนพระอภิธรรมเราก็นึกว่ากิเลส รูปของ 3 หมั่นตํานึกโดยทั่วไปอันนี้ล่ะนั้นท่านจึงแสดงทั้งตัวที่โผล่ดินเหมือนต้นไม้นะบางส่วนก็โผล่ออกมาพ้น เป็นดอกหรือเป็นผลนะไอ้เด่นรองลงมาอาจจะเป็นแต่ส่วนที่เราและมองไม่เห็นนั้นก็คือส่วนที่อยู่เป็นเป็นส่วนที่อยู่ใต้ ภาษาประดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคันนี้เมื่อเรารู้ว่าถ้าไม่คือวิฏิจฉาแล้วก็อุตตจานั้นจะมีปรากฏไม่ได้อันนี้คือส่วน <c oughs> อยู่ใต้ดินใต้ดินเป็นรากเหง้าของอ่าคือในโลภะจิต 8 เนี่ยมันก็มีโมหะเป็นรากเหง้า 2 นะแล้วก็ในโมหะมูลจิตมัน แล้วอุทัจจะเป็นตัวปรากฏอาติเห็นอย่างนี้ที่เป็นรากเหง้าอยู่ 8 ดวงที่ ทั้งเป็นมูลอยู่ด้วยมีโมหะเป็นมูลอยู่เพราะถ้ามีอกุศลมูล 2 มูลเจออยู่ด้วยกันท่านก็จะเลือกชื่อจิตนะปรากฏชัดกว่าและเป็น ไม่มีหรือมีทําให้เกิดความไม่ชัดเร 2 มี 2, 2 ชุดก็จะจะสับสนนะฉะนั้นก็ นะเด่นจัดที่เหมือนดอกหุ่นผลอย่างที่ว่านั้นเป็นโลภะมูลจิตดวงที่ 1 เป็นโสมนัสเป็นยา ที่จะให้หมายรู้หมายเรียนพอมาถึงโมหะนั้นน่ะจุดแสดง แต่ในขณะแล้วก็จะถูกแยกโดยจุดเด่นที่โมหะเกิดเอกเทศไม่มีโลภะมูลไม่มีโทสะมูลท่านเรียกว่า ซึ่งเราจะได้พูดให้ลึกตรงไปโมหะอย่างนี้เพราะฉะนั้นมูลจิต 2 หรือ 2 มัน ไอ้ตัวอื่นเป็นตัวเส้นให้เห็นโต ที่เป็นสาธุชนคนดีเห็นอันตรายหรือ ไอ้เครื่องยิงอื่นใดก็ตามไปใส่มันมันจะไล่ตะครุบไล่กัดพวกเอยวัตถุเครื่องยิงเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าราชสีห์ไปถูกกระทําอย่างนี้ราชสีห์จะไม่ไปไล่ฟัดผู้ ในศาลหรือใครก็ได้ที่เป็นผู้พิพากษาขึ้นยิงเหล่านี้มาอ้าวข้อนี้ฉันใดเวลาเราพูด เฉพาะหน้าของเราต้นผู้ที่ทําให้เราเกิดความเดือดได้ให้ความสําคัญกันเท่าที่ควรก็คือโมหะโมหะเนี่ยครับถ้าเราให้ปัญญาแก่คน แต่ถ้าเราทําให้เขานี่เห็นเช่นว่ารู้ในเรื่องกรรมนะว่าทําอย่างไรได้ หรือเหมือนเล่นๆเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเป็นเรื่องสําคัญความสูญเสียอะไรทั้งหลายก็ไม่ลายแรงเท่ากับความสูญเสียปัญญานะการได้อะไรทั้งปวงก็ นะครับที่ตรงลำดับเป็นพูดเป็นโวหารหวานล้อมหลายอย่างเช่นว่าการเสียญาติการเจริญได้ญาณนะการเสีย ที่พูดอย่างนี้น่ะเพื่อให้เห็นความสําคัญถ้าเราลองได้รู้อะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้ <c oughs> ได้ไปเบียดเบียนสัตว์ไว้เราจึงมามีโรคมากในชาตินี้ เพ่งตลอดอวิชชาตกคําตรงนี้ก็มีความๆแล้ว ออกแต่ว่าออกให้รู้ตัวนี่แต่ว่าไอ้ออกออกแรงจะให้รู้น่ะแม้มึงคือ อย่าไปนึกท้อใจขอได้ให้นึกไปโดย แล้วจะมองใครเนี่ยถ้าเราตั้งจุดตรงเรื่องของ ในพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรถามว่าหลงอะไรหรือไม่ 4 บางคน บางคนอาจจะไม่รู้ธรรมะบางคนอาจจะนึกว่าไม่รู้สารพัดเรื่องอย่างโคนปัญญาอ่อนต่างเป็นโมหะมั้ยไม่รู้วิชาโน้น โมหะมีเกียร์ระดับอ่าอันนี้เมื่อพูดแล้วก็ลองนึกกลับ ตามเมื่อผมว่าปัญญามันมีหลายขั้นโมหะมันถ้าท่านดูในชุด 13 ท่าน 8 อย่างมันต้องเกี่ยว 8 ที่เราเอามาผูกผูกกันโดยทั่วไปนั้นเป็นจุด 1 ความโง่เนี่ยมันจะอ่ะกิเลส ไม่ใช่ไม่มีอารมณ์มันมีอารมณ์คือโง่ถูกนะกับอะไรโง่อยู่อย่างเอาแม้พูดอย่างนี้แล้ว อลิยศักดิ์ศรีนะเดี๋ยวได้ทำเคืองไปเลยฉันได้ทำเธอให้เป็นพูดโง่แล้วคือไอ้คนที่คิดอย่างกิเลสเนี่ยมันนึกว่าตัวไปทําอะไรเขาแล้วตัวใคร ได้รับผลเสียรับผลเสียคนด่ากับคนถูกด่าไอ้คนด่ามันก็นึกว่าไปด่าเขาได้เป็นความดีเป็นความสําเร็จเป็นความเกลอไอ้ <c oughs> มาแย่งกันเป็นฝ่ายถูกกว่านั้นคนถูกเนี่ยสารลมๆกับเรา เราจะไปโง่หรือกูจะล้างสักกองนึงกูจะล้างก็ไม่เดือดร้อนถูกมั้ยเราต่างกับเพชรสักเม็ดนึงที่กําลังจะซื้อ กับอันไหนเร็วกันกับสิ่งต่ําเนี่ยอันไหนเลวกันอันนี้ใครตอบไม่เราโง่กับสิ่งละจะฉลาด เอาก็ให้มันสูงสุดเลยอย่างเช่นโง่กับอลากัมมฆาตผลใช่มั้ยแต่เราก็อยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขต่อการที่เราโง่กับสิ่งสูงอยู่ตราบใดน่ะมันแปลว่าเรายังมีส่วนที่ชีวิต ความเป็นสัมมาสัมพุทธะแก่มนุษย์แก่เทวดาแก่สมณะพราหมณ์ทั้งในโลกนี้เทวโลกมารโลก ลומโลก มีส่วนแห่งความไม่จะเสิร์ชมากขึ้นนะก็แปลว่าชีวิตก็ต่ํานั้นถ้าเรามองด้วย ด้วยความเจริญในปัญญาแค่ไหนถ้าเรายังโง่อยู่กับสิ่ง มันมีอยู่ 2 ระดับใหญ่ก็คือระดับปริญญาระดับปฏิบัติท่านคือระดับปริญญาก็มีสุตะสุตมยปัญญาถ้ามันมีส่วนกันท่ามคือผู้ผมอาจที่ท่านใช้คําพูดต่างๆกันเช่นญาณะ กับอายานะหรืออัญญานะนะสุตะอัปปะสุตะสุตะเป็นปัญญาจนสุตะมยปัญญาไอ้สุตะเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นอารมณ์ของปัญญาฟัง ก็คงข้างของผมอยู่ในสัพพุริสธรรม 7 ไหนใครจําได้สักข้อว่าซะสัพพุริสธรรม 7 สัพพุริสธรรม 7 1 เปเป็นในรูปแบบหนึ่งบ้างผมจะ กับเช่นเอาผมไม่ถามว่าข้อไหนท่านจะได้นึกสะขึ้นผ่านนั่นเองต้องไม่เคยมีละข้อ รู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้การรู้ประมาณรู้บาลีว่าไงเช่นอ่าอัดตันยุตาอัตตัญญูตา อัตตาบวกอัญญตาแปลว่าความรู้ตนอ่ะเดี๋ยวท่านก็เลยนึก รู้ตนตรงนี้ตนน่ะเป็นหมายถึงขันของตัวขัน ทีนี้อ่าสปุริสถาน 7 เนี่ยผมก็ยังนึกว่ามีโอกาสเมื่อไหร่เช่นเรารู้ว่าเราสูงเท่านี้น้ํา เรียกว่ารู้ไหมวลุมะเรื่องรวยกระสางกระสางกระสอบนี้อย่างเรายกไม่ได้เกินกําลังเราตนแล้วก็ลึกขึ้นไป 2 รู้เหตุปัจจัยที่ทําไม ไปทําอะไรไว้เป็นมั้ยที่ถ้าจะให้เราเลือกเราก็มักจะคิดเลือกเอาสูงๆแต่ว่าในทางธรรมะนั้น คือโมหะเนี่ยเนี่ยที่เรียกว่าโมหะในนะเหมือนกับปัญญาที่เราเคยเอ่อเอ่ยว่ามันรู้โดยทําให้เป็นอารมณ์เค้าเรียกนะ อันนี้จะจะมีส่วนคล้ายๆกันซึ่งผมพูดให้เห็นว่ามันเป็นจุดที่แสดงลึกแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้นะเป็นทุกอย่างว่า แต่เราเนี่ยเราเห็นโอ้โหนี่มันใหญ่ไปนะใหญ่ไปเนี่ยถ้าเราอาจจะใหญ่ไปหรือหรือไอ้ของบางอย่าง ควรรับแค่นี้เพราะความคิดซึ่งเราจะเห็นว่าดวงจิตขณะที่คิดนั้นถ้าลองอ่ะไอ้ตรง จิตตัวบาตรเนี่ยเข้ามาแทรกเนี่ยมันก็พยายามตะบีตะแบงไอ้ของที่มีมันสร้างอ่าพื้นฐานสร้างความ เนี่ยปัญญามีกำลังน้อยหรือสมุจฉามีกำลัง 7 ข้อเนี่ยสำคัญมาก 7 ให้ขึ้น บางคนมีสูงมากคนมีสูงมากคือสูงกว่าเรามากเลยทีเดียวเรามองว่าควรยังไงยังไงนะอันนี้ เมื่อในขั้นที่จะสอนให้คนสามารถเป็นเรื่องที่ๆอธิบายขั้นกามเป็น ขั้นฌานอันหนึ่งแล้วก็ขั้นวิปัสสนาอีกขั้นหนึ่งขั้น นึงขึ้นมาจนกระทั่งจุดสมบูรณ์ของกามเนี่ยมันก็ไม่ใช่โอกาสที่จะว่าถ้าในขั้นกาม 4 อะไรขึ้นไปโน่นซึ่งเป็นเครื่องของขั้นปฏิบัติอันนี้ก็ อ่าผู้พูดก็เป็นปริยัติด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จินตาจินตา จินตนานั้นมี 2 แบบแบบ 1 เป็นจินตนาที่เกิดขึ้นกับพวกเราๆ จินตานั้นท่านหมายถึงการคิดคลวิปัสสนาเอาเฉพาะเอ๊ะเราเคยเข้าใจว่าจินตานี่ใคร <ม. S 1> พอเราวิเคราะห์ศึกษาทวนทีดีได้ความว่าจินตนาที่เกี่ยวกับการค้นคิดวิปัสสนาในที่นั้น ว่าวิปัสสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาได้หรือคิดมาได้ตรัสรู้เป็นท่านน้องตอบนะตอบไม่ดีผิดนะครู แปลว่าต้องผ่านเป็นต้องตอนต่อครู่เป็นพระอรหันต์ก่อนเป็นอรหันต์ทํา 3 เที่ยวที่ 3 โสกะญาณเที่ยวที่ 3 ใช่มั้ยแล้วไปเป็นอรหันต์อ่าเที่ยวที่ ได้ที่ทําวิปัสสนาญาณเที่ยว 2 ก่อนเป็นพระอริยตาคาได้เพราะเป็นโสดาบันก่อนเป็นโสดาบัน ถ้าท่านไม่ได้เป็นมาก่อนถามว่าวิปัสสนาเที่ยวแรกของพระเนี่ยมาว่าท่านไม่ได้ศึกษารู้ได้มาแล้วได้มายังไงคิดได้จินตายานแล้วถามว่าเอ๊ะอย่างนั้นคน บุพเพเจ้าท่านสร้างบารมีมาเพื่อช่วยตัวเองได้แต่ นี่ท่านนึงเช่นในพระไตรปิฎกเล่ม 16 เล่มปฏิจจะที่แสดงเรื่องวิปัสสนาอุปปุฏิจาจะ อ่าโสกชรามรณะนี้มีขึ้นได้เพราะเหตุใดมี ส่วนนี้ใช่มั้ยตรงนี้มีระดับประพุทธาจารย์อื่นๆอาจจะมีแต่ เอาล่ะผมก็จะพูดเรื่องของปริยัติขั้นปริยัติจะอ่านๆได้ด้วยตน ในขั้นกามเนี่ยเอาเป็นว่าเรายกตัวอย่างอาชีพอาชีพที่เอ่ยถึงว่าบุคคลในโลกนี้ 2 ข้างมีทั้งบอดข้างดี พวกตาบอด 2 ข้างคือไม่มีปัญญาในทาง ว่าเราจะทําอาชีพให้เป็นประโยชน์เพื่อคุ้มแก่เรา นี่ผมต้องเรียกไว้ที่พระเจ้าสอไม่กล้ายกตัวอย่างใกล้ๆนี่จักนะทีนี้พระราชา ก็บังเอิญเมื่อวันผมก็ 10 กว่าปีแล้วก็ได้เห็นเลยว่าพระเจ้าๆว่าการที่ หวังความสุขในภพหน้านี่เรียกว่าทําบุญเอาอ่าประกอบอาชีพเอาบุญมากกว่าเอาเอาวัตถุใช่มั้ยกําไรก็ได้บาง ไอ้บางคนบอกบุญฉันไม่เอาฉันจะเอากําไรต่อพืชแล้วก็เครียด หรือแม้แต่อย่างรุ่นราวอาจจะไม่ใช่บุญเลยว่าทํางานบางอย่างเนี่ยเมื่อได้สนใจไอ้เรื่องสิ่งทดแทนหรือจรรยาบรรณทํา ไม่ขั้นกลางทั่วๆไปไม่ใช่การมรรคผลนี่ผมยกกาลามีนึงแล้วก็ต้องกระโดด ตัวที่จะรกปลูกข้าวขายเนี่ยปลูกข้าวมันเป็นจะสงเคราะห์เป็นบุญกิริยาข้อไหนมันก็ไม่ได้จะเป็นบุญฮะ อันนี้ก็นึกออกอย่างอาชีพพลางอย่างอาชีพบุญเอาเห็นชัดมาอาชีพหมอเนี่ยใช่ไม่ใช่อ่ะอย่างนี้ อารมณ์ของกุศลถูกใช่มั้ยเป็นอารมณ์ของกุศลเป็นบุญแต่ความเป็นบุญนั้นคนอาจจะเอาโมหะเข้ามาใส่เอาอกุศลเข้ามาใส่หรือ การให้